ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังวันนี้ก็หลวงพ่อชาลีไม่อยู่ท่านติดธุระไปงานศพของท่านพระครูเจ้าคณะอำเภออำเภอจเจริญสินจังหวัดสกลนครท่านไปอยู่เกือบเป็นเดือนแล้วจัดงานท่านเป็นแม่งานของงานพระครูแต่หลวงพ่อสดก็ไม่อยู่วันนี้ท่านไปอินเดียนะยังยังไม่กลับมา มีแต่พวกพระน้องๆ้องลูกๆูกหลานๆเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ก็ดูรักอุ่นนาฝาค่างพอสมควรการจัดงานขึ้นมาที่บนเขาภูกอนแต่ตามไม่จริงแต่ละวัดท่านก็มีวัดของท่านอยู่แล้ว ต, ตามปกติอย่างวัดหลวงพ่ออย่างนี้ตกตอนเย็นหลวงพ่อก็ต้องเวียนเทียน ทำมาคะบูชาวิสาขาบูชาเป็นประจำสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่มาในวัดของหลวงพ่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเวียนเทียนประทักษิณรอบสาลาเวียนพระประธานบนเสียรพระประธานก็มีบรรจุพระปรรมสารีวิกราทาดโดยมากจะเป็นอย่างนั้นทุกวัดนะอันนี้วัดปาภูกร้อนของเราที่หลวงพ่อ คิดริเริ่มขึ้นมาแต่แรกๆหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรกับมอบให้หลวงพ่อชาลีของท่านแต่หลวงพ่อก็ไลยมาปรึกษากับท่านนายอำเภอท่านก่อนก่อนท่านสัญญาเนี่ยท่านนายอำเภอแล้วก็วนหัวหน้าสวนรัชการต่เห็นว่าเจดีภูก้อนเป็นหลักร่มโพ ร, ร่มใสของอำเภอนาอยยงอำเภอนาโสมสังคมเออสุอำเภอบ้านผือ เขตชุมวันนกขูหาอำเภอถิ่นนี้เนี่ยสรุปแรกก็คือเป็นของจังหวัดอุดรเป็นเจดีที่มีชื่อแล้วมันมีเป็นที่ปรากฏอชื่อเสียงโด่งดังในถิ่นฐานบ้านของพวกเราแต่คนบ้านเราอำเภอของเราเขตอำเภอลูกหลานบ้านของเราไม่ให้ความสําคัญเฉลยหลวงพ่อว่ามันจะไม่ถูกต้องถึงจะสิ่งใดที่เป็นของสําคัญ ก็ตามแต่คนในถิ่นนั้นไม่ให้ความสําคัญก็สิ่งนั้นก็เหมือนกับเนินสำคัญในตัวของเจดีย์เองแต่พวกลูกหลานศรัทธาญาติโยมเนีก็ไร้ความหมายไร้ประโยชน์ไม่ได้รับคุณค่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆเพราะนั้นหลวงพ่อมองเห็นจุดนี้จึงได้ชักชวนประชุมหาเหลือกับหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อสดจากนั้นก็ได้ปรึกษากับ ส่วนหัวหน้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าปรึกษาหารือกันจึงได้จัดงานขึ้นมาวันมาฆาบูชาวิสาขาบูชาของทุกปีที่ผ่านมาติดต่อกันมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ได้จัดงานขึ้นมาได้ปรึกษาปารบกันขึ้นมาท่านนายอำเภอก็ได้บอกกล่าวทางสำนักพุทธให้เป็นผู้ประสานงานหลวงพ่อเองก็ได้รับรู้รับทราบ จากนั้นก็ได้บอกกล่าวหมู่พเพื่อนพระสงฆ์เจ้าวาดใ น, นในเขตทินอำเภอนายงน้ำสมเนี่ยมาร่วมกันทำพิธีทำพระทักษิณรอบพระเจดีย์นะอันนี้คือความเป็นมาและที่มาพูดถึงวันสำคัญที่ว่าสำคัญนั้นสำคัญชะไหนน ะ, ะทำไมถึงว่าวันสำคัญวันมาฆบูชาเพราะพระพเจ้า ได้ตัดสรุ้เดือนหกเพนคือวันวิสาขาบูชาในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ก็ได้วางได้ประกาศพระพุทธศาสนาไปทุกหัวแหลแหงมีพี่น้องประชาชนญาติโยมในยุคสมัยนั้ น, น, นเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งเศรษฐีพ่อค้าประชายชนทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอเข้ามาบวชแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็มีมากขึ้นคนที่ที่มากขึ้นต้องก็มีจะต้องมีกฎระเบียบเป็นเครื่องปกครองถ้าคนอยู่สองคนสามคนก็ไม่เป็นไรพูดกันก็พอรู้เรื่องถ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสมัยนะั้นอาจจะเป็นถึงล้านก็ได้พระสงฆ์นะมีมากทตนี้พระสงฆ์เมื่อบวชเข้ามาแล้วต่างองค์ก็ต่างอยู่เพราะยังไม่มีกฎไม่มีระเบียบ เหมือนกับคนในชาติเหมือนกับสมัยก่อนว่าคนป่าเถื่อนยังไม่มีกฎหมายบ้านเมืองปกครองลักษณะอย่างนั้น่ะไม่มีผู้ใหญ่ปกครองยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองอยางทีนี้ก็พระสงฆ์ก็ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างจะทำตามความคิดเห็นของตนเองคิดว่ามันถูกแต่ว่ามันก็ถูกในความคิดเห็นของตนเองแต่ถ้าจะเป็นส่วนรวมเข้ามาแล้วมันผิดยอยานตอนนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่าน ที่เป็นต้นศาสน า, าเป็นต้นพระพุทธศาสนาท่านก็มองเห็นจุดนี้ที่จะต้องวางหลักฐานไว้เพื่อให้เป็นกฎข้อบังคับหรือว่ากฎ ก, ฎกติกาหรือว่ากฎหมายลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้เรียกว่าในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าวิในนะบัญญัติวิในต้นวินยัยขึ้นมาเพราะนั้นพระพุท ธ, ธเจ้าท่านคิดเล็งเห็นวันนี้แหละเป็นวันวันเดือนสามเพนเนี่ย ท่านก็คงจะโทรจิตเหมือนกันเถอะยุคสมัยนั้นนะท่านมียาณธัศสนะเนี่ยญาณธัศสนะคือยานของพระองค์ให้ค่ายเขาบอเป็นการนั่งสมาธิและปฏิบัติในในจิตตภาวนาของพระพุทธองค์เรียว่าโทรจิตพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้ มีวิทยุติดตัวของท่านเหมือนกันโทรศัพท์ติดตัวของท่านเหมือนกันเมื่อพระพระทุทธเจ้าโทรไปพระสงฆ์เหล่านั้นก็รับนะรับโทรจิตแต่พวกเราหูหนวกไม่ได้ยินหรอกเหมือนกันเถิดจะได้ยินแต่พระพระทุทธเจ้ากับพระสงฆ์ในต ก, กลุ่มเดียวกันตอนนี้พทธองค์ก็บอกว่าวันนี้ให้พระสงฆ์ไปชมกันที่กรุงราชคฤห์ที่วัดป่าเวลุวันพร้อมกันตอนบ่าย คงจะเวลานี้แหะเวลาตอนบ่ายอย่างวันนี้แหละพระสงฆ์มาโดยที่ไม่ได้นัดแนะนะไม่ได้ส่งข่าวนะไม่ได้ส่งข่าวทางนอกว่าเออนิมนต์องคนั้นอง์นี้มานะักประชมกันนะออที่วัดป่าเวรุวันณนะตอนบ่ายไม่มีการนัดแนะอย่างนั้นนะแต่พระสงฆ์มาพร้อมกันโดยอัตโนมัติวันนั้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่ ไ, มได้นัดแนะมาพร้อมกันเลยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากสําหรับปุถุชนนะ แต่ไม่เป็นอัศจรรย์สําหรับพระอรหันต์ผู้มีญาณทัศนะท่านไม่อัศจรรย์แต่เป็นที่อัศจรรย์ของปุตุชนอย่างพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายจัดนัดแนะพระสงฆ์มาพร้อมกันถึงพันสรูปเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยมาพร้อมกันในวันนั้นเป็นของที่แปลกประาดอัศจรรย์อย่างมากทีนี้พระสงฆ์มาพร้อมกันเมื่อตอนบา่ายพระพุทธเจ้าเห็นพร้อมกันพระพุทธองค์ก็ขึ้นนั่งบนอนาชนะบนธรร ม, มาทตย ท่านจึงบัญญัติวินัยขึ้นมาในวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกฎระเบียบวินัยให้พระสงฆ์รักษาออจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นให้โอวาทปติโมกในโอวาทปฏิโมกนั้นมีความหมายสามประการข้อแรกทว่าวสัพ ป, ปาปัสสะอากาักรนัง การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสสูปราสัมปดาการยังจิตให้ถึงพร้อมหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตาปริโยรปานังการทําจิตให้ของแผ่วหนึ่งเอตังพุทธานะสาตนังนี่คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละในโอวาทปฏิโมกในวันนั้นพระพุธองค์พูดอย่างเนี้ยสัปปปาปัสอะกระนัง การไม่ทําบาปทั้งปวงการไม่ทําบาปคือไม่คิดที่จะทําบาปไม่คิดที่จะทําความชั่วไม่กระทําความชั่วไม่พูดความชั่วนี่แหละถึงกายทั้งวาจาทั้งใจจับปปา ป, ปัสอาการนังกุสารสูปัซัมปันดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมคือสิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นบุญเป็นกุศล จะให้พวกเราทําอย่างนั้นคือกุศลสูปราสัมปดาสาจิตตะประโยชน์ปานังการทําจิตให้ผ่องใสและผ่องแผ้วคือทําจิตให้เบิกบานให้รู้จักบุญคุณโทษที่เป็นประโยชน์และมิไส้ประโยชน์เป็นต้นเรียกว่ากุศล ส, สูปราสัมปดาซาจิตตะประโยชน์ปานังเอตังพุทธานาศาสนังนี้ถือทำคําสั่งสอนเพราะนั้น ย่นย่อลงมาได้สามเท่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในวันนั้นแต่ตามไม่จริงบัญญัติในวันนั้นมีหลายหลา ย, ลายอย่างคือศินสองยี่2ิบข้อพระพุทธองค์ขึ้นกล่าวสวดเป็นพระปฏิโมกให้พระสงฆ์ได้เรียนได้ศึกษาจากนั้นพระพุทธองค์ก็สวดพระปฏิโมกมาเรื่อยๆน ะ, ะสวดมาเรื่อยๆให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระสงฆ์ก็ ขอเรียนไปจบแล้วคือภาษาของท่านเองนะอย่างพูดเป็นข้อๆอย่างนี้พระสงฆ์ก็จดจําเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อก็เหมือนเราเราพูดภาษาไทยอย่างนี้พระสงฆ์ก็จดจําเป็นภาษาไทยได้แต่นี้เป็นภาษาบาลีพวกเราก็มาเรียนกว่าที่จะเรียนได้ เ, เป็นภาษาบาลีก็คงยากอยู่แต่นี้พระพุทธองค์ก็เป็นองค์สวดพระปฏิโมกแต่มาถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะ พ, อองนพระองค์สวดพระปฏิโมกมา ตลอดเพื่อให้พระภิสุได้ศึกษาแต่พอวันหนึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้วมีพระโมกขาราพษสารีบุตรพระมหาเถระหลายรูปพร้อมกันเมื่อพระองค์นั่งเป็นประธานตั้งแต่หัวค่าเออวันนั้นเป็นวันอุโบสถอย่างวันนี้แหละพอตอนย่ำค่ามาแล้วก็จะลงอุโบสถพร้อมกันแต่พพระพุทธองค์ขึ้นไปนั่งบนอาสนะแล้วก็นั่งเงียบ ไม่พูดไม่ตรัสว่าอะไรไม่แสดงพระปฏิโมกขอนั่งตอนหัวค่ําเห็นพระสงฆ์นั่งเงียบเห็นพระพุทธเจ้าพุทธองค์นั่งเงียบไม่พูดไม่ตรัสอะไรพระนรนก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วขอพระองค์ส่งแสดงพระปฏิโมกพระองค์ก็เงียบไม่พูดไม่ตรัสอะไรพอถึงเที่ยงคืน พระอ น, นุก็เข้าไปกราบอีกว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเ อ, อเป็นเวลาดึกสงัดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์ก็พร้อมแล้วขอพระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกข์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็เงียบอีกไม่ตรัสไม่ว่าอะไรพอจนสว่างเ อ, อตีสามตีสนะี่น่อประมาณนี้แหละพระอ น, นุก็กราบพระพุทธองค์อีกว่าพระสงฆ์พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้ใกล้จะสว่างเป็นวันใหม่แล้วพระเจ้าค่ะเพราะพุทธองค์ตรัสว่าพระพุทธองค์องบอกว่าในพุทธบริษัทสีที่นั่งอยู่นี่เป็นพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่เพราะเหตุนั้นเราตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกขในสงฆ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณพิสุทําผิดวินัยมีอยู่ในขณะนี้นั่งอยู่ในในบริเวณลงอุโบสแถแห่งนี้ เพราะนั้นเราตาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกขเพราะรู้อยู่แล้วว่าพระสงฆ์ไม่บริสุทธิ์ทีนี้พระโมกขาลาท่านก็ยืนประกาศเพราะว่าพระสงฆ์องค์ใดที่ทําผิดวินยัยที่ทําผิดศีลขอให้ออกจากโรงโอโบสถแห่งนี้ขอให้ออกจากสลาแห่งนี้ก็ไม่มีองค์ใดขยับออกไปนั่งก้มหน้าเงียบทุกอง ทีนี้ก็ประกาศถึงสามครั้งก็ไม่มีองค์ใดขยับเอผลสุดท้ายพระโมคขลาลนั่งเข้าฌานสมาบัติเหมือนกันเข้าฌานสมาธิเข้าฌานเอาเลด้าเข้าไปจับเลยทีนี้เพ่งดูเพ่งดูเป็นองค์เป็นโองค์เป็นองค์ปงปงไปรู้ได้ว่ามีพระองค์หนึ่งไม่บริสุทธิ์ด้วยศีล น, นั่งอยู่ในนั้นพระโมคขาลาก็เดินถุงเข้าไปไปเหี่วปีกออกจากศาลาหลังนั้นเลยเหมือนันน่ะ พอเดินออกมาเหี่ยวปีกออกจากสล า, าจากนั้นก็ปิดประตูลั่นลูกกรอนไม่ให้พระองค์นั้นเข้ามาอีกจากนั้นพระโต้งก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเราตถาคตจะไม่สวดพระปฏิโมกเพราะต่อไปภายภาคหน้าสง์ที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลมีอยู่จะต้องมีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราตถาคตจะไม่สวดพระปฏิโมกขอมอบให้สง์เป็นผู้ดําเนินการสวดต่อไป อันนี้ที่นําเรื่องนี้มาสาธกให้ฟังก็เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าขนาดในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ผู้ศิลป์ก็ยังมีให้เห็นต่อหน้าต่อตาต่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นมาถึงยุคสมัยพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าถือเป็นของธรรมดาแต่ถือยังไงก็ตามหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายก็ขอให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัย อย่าไปทําผิดต่อหลักพระธรรมวินัยผิดต่อหลักธรรมวินัยแล้วไม่เป็นผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตำหนิอย่างมากขนาดที่พระพุทธองค์ยังทรงเฝ้ชนอยู่พระองค์นั่งในท่ามกลางสงฆ์พระพุทธองค์ยังไม่แสดงพระปฏิโมกข์ขั้นลังเกียจผู้กระทําความผิดเป็นผู้ผิดศีลแล้วเป็นที่ลังเกียจของพระพุทธเจ้าเป็นที่ลังเกียจของพระสงฆ์สาวกในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใครก็ตาม กามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเอออันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยอย่างวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวางหลักฐานไว้ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์1ัน0องอองค์ล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุเอหิภิกขุก็คือบวชเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นองค์บวชให้ พระเหล่านี้พระทั้งหมด1250ององค์เอหิภิกขุนั่นคือผู้เข้ามาเกิดมาเป็นครว่าต์มาเนี่ยเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่าข้าพระองค์จะขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามองดูแล้วว่าเป็นผู้เปรียมและเป็นผู้พร้อมเป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นผู้มีบุญวาสนาเก่าพร้อมทุกอย่างพระพุทธองค์ก็กล่าวคําว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเพียงเข้านี้เราเป็นพระขึ้นมาทันทีจากนั้นบริขารก็ล่องลอยมาท่านก็บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาอนีวเราบวชเอหิภิกขุท่านพระพุทธเจ้าตรัสเพียงสามสี่คำท่านเองเออไม่ได้สวดไม่ได้ยติไม่ได้ทำอะไรเพียงตะวัากก่าวว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำเรากล่าวดีแล้วคือทำพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติเถอะอันนี้แหะคือขนทางแห่งมรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ตรัสเพียงเท่านั้นอุบาสกเหล่านั้นก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะเป็นผู้เตรียมเป็นผู้พร้อมแล้วเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมาในอดีตชาติแล้วความบวชเข้าไปได้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ นี่แหละพระที่บวช ด, ด้วยเอหีพิคูเนี่แหละที่ได้มาพร้อมกันในวันมาคบูชาวันนี้พัน0รห้าสบูปเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชโ ด, ดยพระองค์เองจากนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็มานั่งฟังลงมติรับรู้รับฟังรับทราบแล้วก็จดจำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปบอกกล่าวให้สาธุสิทธิ์ฟังให้ศึกษากันต่อมานี่แหละ การวางรากฐานในยุคสมัยนั้น 2,500 กว่าปีถ้านับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ 2,551 ปีนะหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงเส้นคงวาอย่างพวกเรายังได้ประพฤติธปฏิบัติอยู่เป็นอันว่าพระสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้หมดจดจากที่เลสบัญญัติขึ้นมาในยุคสมัยนั้นก็ยังคงเส้นคงวาพวกเรานามา พูดนํามาประพฤติปฏิบัติยังให้ความได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขแปลกแตกต่างกว่าที่ผู้แทนรัษฎรของพวกเราคณะรัฐมนตรีขึ้นเข้าไปบัญญัติกฎหมายในบ้านเมืองของเราบัญญัติแล้วอย่างนั้น เ, เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้บัญญัติอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นผลที่สุดกฎหมายก็เลื่อนไปเลื่อนมาบางทีเลื่อนไปตามความต้องการของกลุ่มของคณะอีก เนียเลื่อนไปตามกิเลสเพราะนั้นกฎหมายบ้านเมืองผู้มีกิเลสเข้าไปบัญญัติไปกำหนดหรือไปแต่งตั้งหรือไปลงมติล้วนแล้วจะเป็นกิเลสพาธรรมกฎหมายก็เลยปั่นป่วนไปทุกหัวไหลแหงเพราะนั้นเปรียบเทียบกับพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พัรูปท่านเป็นพระอรหันต์บัญญัติฟิไนขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์จริง แล้วเป็นคำเมื่อบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นสวาขาธรรมจริงๆบัญญัติเข้ามาแล้วภิกษุใดก็ตามออกนอกครูนอกทางออกนอกจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความหายยะจริงๆริถ้าว่าใครปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นที่วันนี้เป็นวันจึงถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งสําหรับในหลักของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ว, วางรากฐานวางกฎเกณฑ์ให้พระสงฆ์อยู่ในพระพุทธาศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติสําหรับ พ, พวกศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มองข้ามเป็นอย่างอื่นศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเบื้องต้นหรือเป็นผู้สนับส น, นุนพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าต้นไม้จะมีแต่แก่นถ้าไม่มีเปลือก ต้นไม้นั่นก็เป็นต้นไม้ที่ผิดปกติเหมือนกันก่อนที่จะเป็นแก่นขึ้นมาได้ก็ต้องมีกับพีต้องมีเปลือกนี่ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยงก็คือเปลือกคือกับพีเป็นผู้ดูแลดูแลคำชูพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เทศบอบรมแนะนําพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาสําหรับอุบาสอุิกาเนี่ยก็คือให้มีศีลห้านะ ศีลนี่แหละเป็นรางวัลของชีวิตถ้าว่าพวกเราเออไม่มีศีลผู้ใดก็าตามขาดศีลไม่มีศีลแธรรมในจิตในใจแล้วผู้นั้นมีแต่ความออหายนะนหรือว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์เป็นผู้ขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปเป็นวันๆผลใ น, นสุดกออ็ล้มหายตายจากไปเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันให้รักเคารพเมตตาซึ่งกันและกัน ถ้าว่าพวกเราไม่รักไม่ครบบไม่มีน้าใจต่อกันแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันจะไม่สงบพร่มเย็นผาสุกในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านได้ปราลบถึงพระเทวทัตนะพระเทวทัตพระสงฆ์ท่านประชุมกันบอกว่าโอ้พระเทวทั ต, ทน เ, ททตเนี่ยขาดเมตตาธรรมไม่มีเมตตาธรรมในจิตใจคือการกระทาสิ่งใดก็ตาม เอาพักเอาพวกเอาหมูเอาเพื่อนของตัเองเป็นใหญ่ไม่เห็นแก่ใครพระพระโองค์บอกว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่มีไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติของเขาเขาก็เป็นลักษณะนี้แหละการขาดเมตตาการขาดน้ำใจการที่ลังแกเหยียบย่ำคนอื่นเป็นของธรรมราสําหรับพระเทวทัตนีพระพโตองค์พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะที่พระเทวทัตทําอย่างนี้ พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นช้างอยู่ในป่าหิมาภานมีบริวารถึง8ปดหมืนตัวอยู่ในป่าหิมาภานเราเป็นพญาช้างควบคุมดูแลฝูงไปหากินในสถานที่ต่างๆวันนั้นเราได้พาบริวารไปเดินไปไปในป่าดงบริวารช้างทั้ง8ปดหมื่นตัวไม่ใช่ ช้างมันมันมันน้อยหนะึ่งเป็นฝูงไปอถ้าพอเดินไปแล้วไปไปเจอรังนกอยู่ในดินนะเอ่อรังนกอยู่ในดินอถ้าทุกวันในแถวบ้านเราก็คงจะเป็นนกเขาล่ากันมั้งเอที่มันร้องกลางคืนโคลาโคลาโคลาน่ะเ อ, เอีนกตัวเขียวอกเหลืองๆนะั่นอ่ะมันชอบทํารังอยู่ในดินนะน่ะมันก็ร้องอยู่ในนะ่ะโคลาโคลาอยู่กลางคืนนะอ่ะภาษา ทางบ้านหลวงพ่อเรียกว่านกเขาล่านกเขาชนิดหนึ่งเหมือนกันะแต่มันทํารังอยู่ในดินแต่นี่พญาช้างก็เดินมาเดินมากับฝูงเหมือนกันอะ่ะพอมายนกเขาตัวนี้มันก็มันมีลูกเล็กๆสามสี่ตัวมันบินยังไม่ได้ยังไม่ขนยังไม่ออกนะอแต่มันกําลังมันก็อยู่ในรังนั่นอะ่ะทีนี้นกเขาล่าตา น, นั้นก็เอาประคองปีขึ้นมาบอกว่าโอ้ยพญาช้างเอ้ยอฆ่าเนี่ยอยู่ในทางตรงนี้ อย่าเหยียบลูกของข้าเลยลูกของข้ายังบินไม่ได้ค้ายังอยู่ในนี่มันไปไม่ได้ขอให้หลีกทางด้วยเถินอย่าไปเหยียบลูกของข้าข้าไปเจ้าข้าขอนอบน้อมพยาช้างด้วยความเคารพนกมันมั น, ม, นมันประคองจี่ขึ้นมาขอร้องช้างเพราะนกนเถิพยาช้างเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรักษาให้พยาช้างตอนนั้นมีเมตตาเหมนน พญาย า, างตระมีสามมาั น, น, มมนกนนนนนนะ็ยืนค่อมค่อมรังของนกเขาล่าตัวนั้นเหมือนกอนยืนค่อมนกรังนกตัว น, นั้นนะ่ะรังรังนกเขานะ่ะทีนี้ตัวอื่นมันก็ไปข้างไปเสียดไปเสียดไปมีช้างแปดหมื่นใช่ไหมทีนี้พอไปหมดแล้วพญายางตัว น, นั้นก็บอกว่าให้ระวังนะยังมีช้างโทนตัวหนึ่งจะมาที่หลังแต่ช้างโทนตัวนั้นนะ่ะนิสัยเกเรนะขอให้เจ้าขอร้องให้ดี อถ้าว่าขอร้องไม่ดีมันจะเหยียบมันจะทย้ยีเจ้านะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องขอร้องเขานะพอว่าเทัานั้นปัญญาช้างตัว น, นั้นก็เดินผ่านไปพออีกไม่นานช้างโทนตัว น, นั้นอ่ะช้างอพายตัว น, นั้นก็เดินมาอีกเลยพอเดินมานกตัว น, นี้ก็ประคองปีกขึ้นอีกเพราะงั้นแต่โอ้ยเจ้าเหมือช้างโทนช้างใหญ่อขอจะได้มาเหียเบเปียนจะมาเหยียบลังของ ข้าพเจ้าเธอเ น, นี่ยนี่ลูกของข้าพเจ้าอยู่ที่นี่บินยังไม่ได้ก็ยังไม่ออกขนขอให้ดีทางให้ให้ด้วยเธอเนี่ยงั้นะนะพี่ใหญ่เนี่ยงันะขอให้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอย่างสุดซึ้งเนะีนะ่ยนกตัว น, นั้นมันมันขอร้องเหมือนกันแตอแต่พญาช้างตัว น, นั้ น, นพญาช้างเกเรเนี่ยเขาบอกเอ้ยเอนะ่มึงทําไมมาทําลังขวางทางกูเอ็กนะกูจะต้องเหยียบมึงขยี้มึงนะมึงทําไม มึงไม่รู้จักตัวเองเหรอไม่รู้จักเดือยทางช้างมาแถวนี้มึงทําไมไม่ไปทําที่มันหลบหลบหลีกมาทําแถวนี้ได้ยังไงพอว่าเท่านั้นอ่ะเนี่ยเป็นไรยไปเดี๋ยวกูจะขยี้เดียวนี้ละมึงจะเอาทั้งโคตทั้งแซ้มาสู้กับกูมันก็สู้ไม่ได้หรอกมึงจะยกพวกมาไงก็มาเถกูจะเหยียบมันทั้งหมดงันเหยียบทั้งโคตรมงเลยมั้นไงช้างเกเรตัวนั้นจากนั้นมันก็เราตีนกระทืบล่างนกตัวนั้นแม่มันก็เลย บินเพนขึ้นไปอยู่ต้นไม้เหยียบแหลกละเอียดไปมันก็เดินหากินต่อไปนกตัว น, นั้นก็เลยบอกว่าเอาเธอนะทางภายนะอีกสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าปัญญากับกําลังอันไหนจะดีกว่ากันจะเก่งกว่ากันกําลังกับปัญญาใครจะเหนือกว่ากันอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะรู้เอง อันนี้คือผูกพยาบาทแต่ถึงจากนั้นนกตัวนั้นก็เลยไปหากาเนี่ยไปหากาบอกว่าไอ้กาช่วยเราด้วยเถิดเอพระยาช้างหรือเหยียบลูกของข้าตายเพราะฉะนั้นขอให้กาช่วยจะให้ข้าช่วยยังไงกาก็ถามจะให้ข้าช่วยยังไงถือโอกาสวันไหนช่วงไหนว่างๆที่มันเผลอให้บินไปก็จิกลูกกระตามาเลยเหม น, นจิกลูกกระต้าช้างเลยเหมืนกาก็บอกเออเอาได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะทําให้ออกาก็รับปากนกเขาล่าเหมือนกันแต่แต่ในนกขอล่าก็ไปบอกกับมแมลงวันอีกมแมลงวันหัวเขียวนะ่ะบอกว่าถ้าเห็นช้างตัว น, นั้นมาตาบอดเอาขี้ใคร ข, า, ขางนะไปขี้ใส่ตามันด้วยนะเหมือนกันมแมลงวันตัว น, นั้นเออเอาได้รับปากนะจากนั้นนกเขาล่าจะไปหา ก, กบอีกกบเ อ, อถ้าเห็นช้างขึ้นมามันตาบอดขึ้นมาให้ท่านให้เจ้าขึ้นโดดขึ้นบน เขึ้นไปที่เนินสูงนะพอที่เนินสูงแล้วให้ล้ออบอบอบจากนั้นพอช้างขึ้นไปแล้วให้เจ้าลงไปล้องอยู่ในเหวน ะ, อะโอกบก็รับคบาําเหมือนกันอจิตจากนั้นนกเขาล่านัแสดงมาคอยฟังเหตุการณ์ต่อมาตาก็าไปจิกตาช้างช้างก็ตาแตกทั้งสองข้างพอตาแตกได้ท่นี้ที่ใคร ข, า, ขางกับที่เสีตามันท่นี้เพราะมันตาบอดท่านี้คนที่สุดหนอนเจาะตามันท่นี้ พอนอนต่อตาเสร็จแล้วมันก็หิวน้ําช่ไหมพอหิวน้ํากบก็ไปร้องที่สูงๆช้างกับปีนป่ายขึ้นไปเพื่อไปหาน้ํเพรามันได้ยินเสียงกบใช่ไหมหจากนั้นก็พอร้องพอร้องเสร็จแล้วกบก็ลงไปร้องอยู่ข้างเหวอีกที่ผาชันๆเพราะในสุดพอร้องเสร็จแล้วช้างกับปีนป่ายเพราะมันหิวน้ำนใช่ไหมได้ยินเสียงกบแต่ ก, ก่อนเสียงกบที่ไหนมันต้องมีน้ําที่นั่น มันก็ปีนลงไปก็ตกลงไปในเหวช้างตอนนั้นก็เลยตายพอตายแต่แล้วนกเขาล่ากก็เลยกระโดดขึ้นขี่เดินไปเดินมากระโดดอยู่บนข้างหลังช้างที่มันตายแล้วเนี่ยข้างช้างวิ่งไปวิ่งมาอันนี้นกตัวนั้นก็เลยกล่าวเป็นคําพูดขึ้นมาว่านะปัญญังนภมัจเฉยยะบุคคลไม่ควรประมาทปัญญานะบุคคลไม่ควรประมาทปัญญา ถ้าปัญญาใครมีปัญญาแล้วจะมีคนหนึ่งจะมีกำลังมากขนาดไหนก็สู้ปัญญาไม่ได้นี่เพราะนั้นนกตัวนั้นก็เลยกล่าวคาถานี้นะจากนั้นพระพุทธ อ, องค์ก็บอกว่าปัญญาะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสาักฉายะปัญญาเวทิตบา ปัญญาพึ่งรู้ด้วยการสนทนาคนจะมีปัญญาจะรู้ว่าใครมีปัญญาจะรู้ได้ในเวลาที่สนทนากันถ้าสนทนากันแล้วจะรู้ได้ว่าโอ้คนนี้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดชอบรู้อ่ออันนี้แปลว่าคนจะรู้ได้ด้วยการสนทนาคนที่จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสก็ด้วยปัญญาเหมือนกัน แล้วก็บุคคลไม่ควรประมาทปัญญาเพราะนั้นช้างตัวนั้นนะแต่มันว่ามันตัวใหญ่นะแต่มันว่าตัวนกทั้งหลายนี่ยตัวเล็กเนี่ข้าจะเหยียบทั้งโคตมันก็ได้แต่ผลที่สุดมันสู้ปัญญาเขาไม่ได้ปัญญาเขาเนี่ยวางเป็นเครือข่ายคนนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายจะทําสิ่งไรก็ตามอย่าไปคิดว่าเขาด้อยปัญญาเขามีกําลังน้อยเขาไม่มีบุญวานสนาบา ร, รมี ให้พวกเราเคารพเคาไวเดี่มนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต่อกันถ้าว่าคนคิดว่าการอยู่ด้วยกันมีเมตตามีน้ำใจให้รักกันเอาไว้ให้ะนุถนอมน้ำใจกันเอาไว้นั่นละ่ะโลกใบนี้ก็มีแต่ความสง บ, บร่มเย็นเป็นสุขทางว่าพวกเรามีแต่ว่าตัวเองใหญ่มีแต่ว่าตัวเองเหนือกว่าใครอีกสักวันหนึ่งเขาละอัด จะลุมกินโต๊ะตัวเองก็ได้อย่างที่ช้างตัวนั้นละ่ะคิดว่าตัวเองใหญ่มีกําลังอผลที่สุดนกเขาล่าก า, ามแมลงวันกบเอมันลุมกินโต๊ะผลที่สุดช้างตัวนั้นก็เลยตายเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีกําลังแต่กระชู้ปัญญาที่เขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยกันเขาต้องเป็นผู้ ให้รู้จักชุมชนสังคมให้รู้จักการเป็นอยู่ถ้าว่ามีน้ำใจต่อกันแล้วมีเมตตาต่อกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุดก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นอันดับแรกต่อไปกับเป็นชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองกลุ่มหมู่คณะของพวกเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเราให้คิดไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากวันไหนไม่มีใครรับประกันรับรองได้ชีวิตของพวกเราเนี่ยะจะเป็นยังไงในอนาคตวันพรุ่งนี้มาลืนนี้เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอวะให้สั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้มาเพื่อกราบเพื่อไหว้เพื่อสักการบูชาพระเจดีเพื่อจะนําบุญกุศลเข้าสู่จิตทุกเข้าสู่ใจของพวกเรา ถว่าพวกเราต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างได้บุญได้กุศลเข้าสู่จิตใจของใครของเราเราไม่ได้แบ่งกันในจุดนี้ถ้าใครทําก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้ ง, งหลายได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลนี้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เป็นพลังนะเป็นพลังเหมือนกับพลังปรมาณูอย่างนั้นอ่ะเป็นพลังในจิตในใจ เพราะนั้นบุญกุศลจะผลักดันให้พวกเราไปสู่สุคติไปสู่ทุกขติทุกขติคือทางต่ําไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะักตกนรกหมกไหมคือบาปอากุศลเป็นผู้ผลักดันไปแต่ว่าเป็นบุญกุศลเป็นผู้ผลักดันไปในไปสู่สุคติไปโลกสวรรค์หรือเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติตระกูลมั่งคั่งเนี่ที่คนได้สั่งสมบุญแล้วไปหาเลือกเกิดได้เพางั้นแต่ ถ้าเมื่อเราทําบุญในภพนี้ชาตินี้เมื่อตายออกจากนี้ชาตินี้แล้วเราไปเลือกเกิดเลยจะไปเกิดที่ไหนเกิดคราวนี้เราจะเรียนหนังสือเรือเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นเศรษฐีเรือเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นนักบวชเราเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเลือกมาเกิดอย่างนั้นท่านไปอยู่วสวรรค์ชั้นดุสิตชาตินี้เป็นชาติสุด ท, ท้ายของเราแล้วเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะไปเกิดกับทุงกระบินลพัด พระเจ้าสุโถทนะเป็นพระบิดานางสิริมหามายาเป็นพระมารดาเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีบุญท่านเลือกเกิดภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านเลือกเกิดจะไปเกิดที่ไหนท่านเลือกเกิดได้เพราะท่านมีบุญวาสนาบารมีเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีเงินในกระเป๋านั่นเราอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อได้เพราะเรามีเงิน แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปซื้ออย่างที่เราต้องการมันก็ไปได้อันนี้ก็เหมือนการค้นไม่มีบุญเราจะไปตามที่ต้องการที่ตัวเองต้องการก็เป็นไปไม่ได้ก็ไปตามที่ทุนของเรามีบุญของเรามีเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้เจอได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะ่าลูกหลานศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกท่าน ให้เป็นผู้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าว่าบุญกุศลมีในมีจิตในใจแล้วนั่นละ่ะเราออกจากชาตินี้ล้มหายตายจากชาตินี้ไปพวกเราจะไปสู่สุคติสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นว่าเออเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกอย่างเก่านี่แหละจะต้องมาพบมาเจออย่างนี้ละ่ะ ถึงจะเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อค้าขนาดระดับไหนก็เถอะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเพราะฉนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าเกิดพบใดชาติใดเกิดเป็นระดับไหนก็มีแก่มีเจ็บมีตายข้าพเจ้าไม่ขอเกิดอีกข้าพเจ้าจะชำระจิตชำระใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบอกแผนที่เอาไว้ผู้ที่จะไม่มาเกิดนั่นคืออะไรให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นพิจารณาร่างกายสังขารให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารแล้วก็พิจารณาถึงตัวใจถึงตัวผู้รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจอีกปล่อยวางที่ใจเนีอนนี้เมื่อปล่อยวางที่ใจความหลุดพ้นจากอาสวักิเลสที่เหลืออยู่ในจิตในใจราคะโทสะโมหะก็จะหลุดออกจากจิตใจของพวกเราเพราะเราเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางแล้วใจของเราก็ เป็นอริยะบุคคลขึ้นมาในจุดนั้นเพราะนั้นธรรมะครรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีแรกให้พิจารณาภายนอกซะก่อนคือเรื่องสินต่อมาเรื่องสมาธิก็ทำให้มีสติให้รู้จักตนเองต่อมาปัญญาเนี่ยให้พิจารณาถึงใจนะใจคือผู้รู้คือนามะธรรมคือคือนามะธรรมคือตัวผู้รู้เนี่ยปล่อยวางที่นี่เนี่ไม่ยึดมั่น ถ, ถือมั่นที่นี่ อ, อหลุดพ้นจากอาชะวะกิเลสที่นี่ราคะโทสะโมหะอยู่ที่กับนามะธรรมนะตัวกิเลสราคะโทสะมองไม่เห็นเหมือนกันแต่มันแสดงพลังออกมาพลังของกิเลสคืออะไรพลังของโทสะนี่พวกเราเห็นนะ่ะพอมันออกมาทางตาเด็ก็ตาเออเขียวปัดนะถ้าพวกเราไปตีหมาดูสิหมามันโกรธมันเป็นไงเขียวปัดตาของมันนะม น, นุษย์ก็เหมือนกันเออมนุษย์โมโหเป็นไงพวกเราเคยเห็น เราโมโหไปยัไงนั้นเราก็เคยเห็นอันนี้แหละกิเลสโทสะกิเลสราคะราคาไปยัไงราฆาเนี่ยหวานเยิ้มเหมือนกันแต่ไปเห็นใครใครแทบตัวเองรักแต่ทําหวานตาหวานเข้าไปเลยเหมือนกันน่ะพูดอะไรก็หวานไปหมดถูกอกถูกใจไปหมดอันนี้ว่ากิเลสราคะเน่มันเป็นพลังออกมาทางกายทางวาจายอย่างนั้นแต่มันออกมาจากใจนี่แหละมันออกมาจากความหลงเหมือนกันกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ย โมหะนี่เป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านชาระอตัววิชาคือตัวหลงเนี่ยนตะ่ตัวหลงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าชําระใจกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจอปล่อยใจให้ว่างอาแล้วก็กิเลสทั้งหลายหลุดปล่อยออกไปจากใจดวงนั้นขณะใจเป็นใจบริสุทธิ์ นี่แหะเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วรู้เท่ารู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นนะ่ะนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้หาที่ไหนผลทีนะ่สุดพูดมายืดยาวที่สิ่งไหนก็ตามถ้าลงมาถึงจุดถึงใจแล้วนั่นะหละถึงพูดธรรมภาคปฏิบัติถึงพูดที่ไหนก็ตามถ้าไม่พูดถึงใจแล้วไม่รู้จะพูดถึงไหนถ้าพูดถึงใจแล้วจบตรงนั้นจบที่ใจนะ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะถึงจะไม่ปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ฟังเอาไว้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาถึงใจถึงใจคือนามธรรมใจกับกายกายกับใจแต่ใจมองไม่เห็นนะแต่มีพลังนะมีพลังเหมือนบาปบุญนะั่นมองไม่เห็นแต่มีพลังกิเลสราคะโทสะโมหะเรามองไม่เห็นแต่มันมีพลังนะธรรมะของพระพุทธเจ้าบาปบุญก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันมีพลังนะ อยู่ที่ใจเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมมอนิจฉกถาให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังพอเป็นแนว ป, ปฏิบัติ